ผู้ที่จะสามารถซึกมรดกทั้งด้านประพูติปฏิบัติไปโดยถูกต้องดีงามและผลเป็นที่พึงพอใจดังท่านกล่าวไว้ในตั้งพุธการว่ามรรคผลนิพพานก็คือผู้ป ฏ, ปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้นี้เท่านั้นแต่พออย่างยิ่งคือนักบวชนี้นยังย่นลงมา <c oughs> ถึงนักปฏิบัติอีกด้วยเพราะคำว่านักบวชมีอยู่ทั่วไปในดินแดนแข่งชาวพูดเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมืองนั่นเมืองนี้เมืองนอกเมืองหนเต็มไปหมดแต่นักบวช ในพุทธศาสนาแต่จะเอากฎเกณฑ์ตามความเป็นนักบวชนั้นว่าจะเป็นผู้ได้รับมรดกอท ร, รัมือธรรมทายาิของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่สนิทใจเหมือนผู้ต่างใจประพฤติปฏิบัติ ตามหลักศาสนธรรมทั้งทางด้านพระวินัยและด้านธรรมะโดยถูกต้องดีงาท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทายาตทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยเพราะทมประกาศหรือว่าท้าทายความจริงไว้อยู่แล้วตั้งแต่ พระโพธพุทธการมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีทำบทใดบานใดได้ล้อยลอลงไปจากหลักความจริงที่พระองค์ท่านจรัสไว้มีความสมบูรณ์พูนผลอยู่ด้วยความตัดความจริงความถูกต้องดีงามทุกแง่ทุกมุมในการที่จะบุกเบิกให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยสมบูรณ์ ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติจงคำหนึ่งถึงความรู้สึกของตนที่มุ่งเจตนาและความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้แล้วอย่างใดยบประสานกับความประพฤติปฏิบัติอย่าให้พลากจากกัน การปฏิบัติสิงก็อย่าได้ประมาทสิ่งใดที่ขัดข้องต่อสีงก็คือการขัดข้องข้องต่อธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราเนี้ยเป็นการขัดข้องทำลายตัวของเราไปด้วยการขัดข้องต่อธรรมหรือจีดขวางธรรมก็เป็นการจีดขวางตนเองด้วย ให้หาทางก้าวไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกลาวว่าวไว้ว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมหลักวินยัยโดยสม่ำเสมอตั้งแต่ตน้นจนสุดยอดแห่งธรรมวินยัยอุชุตรงไปตรงมาอันเป็นแนวทางที่จะให้เกิด ความสะอาดในสีและธรรมของตนญาญะเพื่อความรู้แจ้งแจงตลอดอย่าได้ห่างเหินจากจิตใจคือมีความสนใจจดจ่อต่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่ท่านไดยเคยรู้เคยเห็นและประทานไว้แล้วคำว่าสามิจิก็คือ พอรวมลงไปว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม <c oughs> ครรมะธรรมนั้นเป็นของกลาง <c oughs> เช่นเดียวกับสมบัติในโลกแล้วแต่ ผู้มีความขยันหมั่นเพียรและความเฉลยวฉลาดที่จะ ส, ะส่องแสงหามาได้มากน้อยตามกําลังความสามารถและฉลาดของตนตามปกติวัตถุในโลกนี้ไม่ขาดแคลนมีสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าความมุสาพยายามหรือความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดที่จะสามารถนําวัตถุ สิ่ง น, นั้นๆเข้ามาเป็นสมบัติของตอนนั้นเป็นสำคัญกว่าอื่นคำว่าทรรมก็ไม่เคยนบกพร่องตามหลักทรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วคงเส้นคงวาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาคา พระอนาคาพระระหัสทําทั้งสี่ประเภทนี้กลมเ ก, ก, กืนกันกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นท้ายส า, ายฐานเดินเข้าไปสู่ธรรมขั้นเหล่านี้จนกระทั่งทะลุผู้ปร่งไปได้ไม่นอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปได้เลยเราพึงคหนึ่งตนเสมอว่าเวลานี้เรา ปฏิบัติถูกต้องตามหลักมัชฌิมาหรือไม่มัชฌิมาคือเหมาะสมอยู่ตลอดการรักษาศีลก็เป็นความเหมาะสมของต น, นหาที่ตําหนิจีเยียนตนไม่ได้ว่าจะทําศีลให้ด่างพร้อยไปด้วยเจตนามีความเผลอเลอประการใดบ้างเพราะความน้อมนับตวังรักษาอยู่เสมอ สีลก็งามสำหรับตัวของเราเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้เหมาะสมกับความเป็นผู้มีศีลทิ้งเรียกว่ามัชฌิมาคือความเหมาะสมทังด้านธรรมะนับแต่สมาธิคำว่าสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในตำรา เคยในอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนั่นคือเข็มทิศทางเลยที่ท่านเขียนไว้ตามคำพิบาลไม่ใช่องค์ของสมาธิแท้แต่สมาธิแท้นั้นจะเกิดขึ้นกับใจที่สืบเนื่องมาจากการศึกษารเรียนวิธีการที่ท่านแสดงไว้แล้วในตำลักตำลานั้นเข้ามาประยุก กับความประพุทธของตนเพื่อให้เกิดความสงบเย็ยนใจขึ้นมาได้ด้วยจิตตภาวนาสมาธิมีความสำคัญปไปทางหนึ่งปัญญามีความสำคัญไปทางหนึ่งตางก็มีความสำคัญตามหน้าที่หรือคุณภาพของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเสียเองคึ ได้ตรัสไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิสังซาสมาธิอันเป็นความอิ่มตัวมั่งหิ้วโหยโดยแรงพุ่งเฟอ้อเหอ่อเขิมกระสับกระสายเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นแห่งความสงบของตนมีทันเรียกว่าสมาธิ สมาธิประเภทนี้สมาธินี่แหละที่มีความอิงตัวนี่นำไปใช้าทางด้านปัญญาย่อมจัดเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทาหน้าที่ของตนไปได้อย่างราบพื้นดีงามเพราะไม่ทะเลทะหลหยไม่กวนกวาย หิ้วหวยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนคนไม่มีความสงบสยูภายในตัวจิต ท, ที่สงบย่อมไม่หิ้โหวยในสิ่งต่างๆพาทำงานใดก็ทำพิจารณาทางด้านปัญญามีสติเป็นเครื่องกากับรักษาหรือเป็นผู้ควบคุมงานจิตก็ทำงานตามนั้นมเมื่อมีสมาธิแล้ว ควรจะแยกออกทางด้านปัญญาพิจรารณาแยกขายไปกว่าทางด้านสมาธิก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคาว่าสมาธิกับปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออกโดยจะถือว่าปัญญาพิจรารณาทางด้านปัญญาอย่างเดียวเป็นความรวดเร็วการทำสมาธิมัวทำสมาธิให้เกิด ถ้ามีความสงบแล้วค่ายพิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นทางราช้าหรือล่าสมัยการพูดเช่นนั้นหรือความเห็นเช่นนั้นเป็นความเห็น ท, ที่ขัดต่อหลักธรรมของรพระพุทธเจ้าที่ทรงได้รับรองมาแล้วโดยสมบูรณ์ทั้งทางเหตุและทางผลดังนั้นทำทั้งสองประการนี้จึงแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ อาการของสมาธิมีอาการต่างกันบูตรถึงเรื่องความสงบนั้นสงบเหมือนกันและอาการแห่งความสงบนั้นก็มีต่างกันบ้างถึงอย่างไรก็ตามความสงบของจิตนั้นย่อมเป็นความอิ่นตัวได้ด้วยกันควรแก่การทิจารณาทางด้านวิปัสสนาปัญญาได้เช่นเดียวกันจึงไม่สามารถที่จะแยก สมาธิหรือสลัดปัดทิ้งสมาธิไปเสียให้ํำเนินแต่ทางด้านปัญญาอย่างเดียวแล้วคว้าอามคุณนิพพานมาอย่างเต็มใจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้มีเราเคยปฏิบัติมาแล้วได้ทราบอย่างชัดเจนในทางด้านสมาธิคือการทาสมาธิ ตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกครานมาจนกระทั่งถึงเป็นขั้นสมาธิเต็มตัวคำว่าขั้นสมาธิเต็มตัวนั้นคือเราให้สงบได้ตามต้องการของเราเวลาใดก็ได้แม้จะจิตจะถอนออกมาจากสมาธินั้นแล้วคิดผ่านไตรตรองจิตการงานอื่นๆได้แต่ฐานของสมาธินั้น เป็นความแน่นหนามั่นคงประจําตนอยู่เสมอนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิคือให้สงบเมื่อไรก็ได้แต่ก็เป็นสมาธิอยู่เพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะกลายตัวไปเป็นปัญญาโดยที่เราไม่นำออกพิจารณาแต่อย่างใดให้เป็นปัญญาไปไมได้ เมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนำจิตดวงที่มีความสงบและอิ่มตัวไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆนั่นเข้าพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจะพิจารณาร่างกายส่วนใดก็ตามคำว่าร่างกายนี้ทั่วไปหมดในรูปประขันนี้แล้วแต่จะถูกกับจริต ในอาการใดภายในร่างกายนี้แยกแยะดูตั้งแต่ต้นดังที่ท่านมอบงานให้พวกเรามาตั้งแต่ดึกดังบันจนปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ไม่ลดละว่างานของนักบวชนั้นคืออะไรอุปชายะท่านมอบให้ว่า เจสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่คืออนุโลมพิจารณาโดยลําดับไปตะโจดันตานะขาโลมาเจสานี่ให้พิจารณาปฏิโลมย้อนกลับหน้ากับหลังถอยหน้าถอยหลังสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกาศตนอยู่แล้ว โดยความปฏิกูลโสโคโรกตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมที่เป็นความถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าจิตของเรานั้นได้รับความเชี่ยงสอนมาจากสิ่งจอมปลอมคือกิเลสจึงต้องมาเปลี่ยนแปลงความจริงจากธรรมหรือลบล้างธรรมนี้ให้เป็นสภาพอื่นไปเสีย จากความเป็นของปฏิกูลให้เป็นของฝวยของงามเป็นของกิรังถาวรเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของท่านไปเรื่อยๆซึ่งเหล่านี้นอกจากความเป็นอรุภพอรุณพังเต็มไปทั้งร่างทั้งภายนอกภายในอูโดยหลักธรรมชาติของมันตามธรรม่กล่าวไว้แล้ว ยังมีความแปรสภาพอยู่ภายในตัวทุกระยะไมะ่มีเว้นแม้แต่ขณะหนึ่งการพิจารณาเช่นนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาคือเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงความจริงนั้นเป็นอย่างไรในร่างกายนี้คำว่าอสุภาจริงหรือไม่จริงเราปฏิเสธได้ไหม ตั้งแต่ภายนอกก็มีที้เหมือที่ใครเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าข้างบนข้างหลางต้องชะต้องล้างกันอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดแม้จะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็าตามจะ ต, ต้องกลายเป็นของสกรปรกโสม ม, มส่งปิ่นฟุ้งไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นตัวปฏิกูล สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จีงกลายเป็นของสกรปรกต้องชะต้องล้างต้องซกักต้องอบเช็ดถูไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้นี่เห็นอย่างชัดๆอยู่แล้วตามหลักความจริงผู้ปฏิบัติจะฝืนหลักความจริงนี้ไปไหนความฝืนหลักความจริงเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเป็นค่าสิต่อธรรมเคยฝืนธรรมอย่างนี้มาเป็นลาดับลาดา คือเสงสันปั้นยอขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่หาความจิิงไม่ได้ว่าสวยงามว่าน่ารักใคร่ชอบใจว่าเป็นสิ่งกีรังถาวรว่าเป็นสิ่งให้เกิดสุขหน้ารื่นเริงบันเทิงว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขายึดที่ไม่มีที่ยึดมีแต่ชี้เล็เป็นผู้คร่ำสอนดูดตลอดเวลา จะไม่ให้ยึดไม่ให้ถือไม่ให้เชื่อตามกิเลสจะเชื่อถืออะไรเพราะมีของอย่างเดียวเท่านั้นติดแนบอยู่กับใจนับแต่กับใดกันใดมาจนกระทั่งใดพบได้ยินโอวาทคำสั่งสอนซึ่งเป็นคู่แข่งกันกับธรรมชาติที่เสกสันปั้นยออันเป็นความจองปลองนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรม จึงได้นำของจริงนี้เข้ามาเทียบเทียมกับของปลอมแยกแยะ ก, กันดูทุกสัตว์ทุกส่วนว่าอันหนึ่งว่าอันนั่งเดิมนั้นว่าเป็นของสวยงามทีนแนบสนิทอยู่กับจิตจึงต้องให้ทำให้จิตคิดว่าเป็นของสวยของงามของดีของแน่นหนามั่นคงไปหมดชนีด นำทาเข้ามาแทรกม่าสวยงามที่ตรงไหนดูหาความสวยงามทั้งภายนอกทั้งภายในหมดทั้งร่างนี้หาไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเต็มไปด้วยของปฏติกลุ่นโครกหมดทั้งร่างกายนี้ทั้งภายในภายนอกในตัวของเราและสัตว์อื่นบุคคลอื่นยิงชายเหมือนเหมือนกันหมดเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนนี่คือความจริง เราฝึกอิกปัสสนาคือปัญญาฝึกเพื่อจะสลัดสิ่งที่เคยยึดถืออันจำพรอ้อมเข้ามาสู่ความหลักความจริงคือของไม่ปลอดนี่เป็นขั้นหนึ่งของจิตขั้นต่อไปยังแยกแยะเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา ซึ่งเป็นธรรมของจริงเช่นเดียวกันอันเป็นทางเดินเพื่อความสลัดปัดทิ้งสิ่งจอมจอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสพาเสกสรรพันยอมมาเป็นแรนาก <c oughs> ผลของมันทำให้เกิดความกดทรวงรวงใจอยู่เส ม, มอให้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลาดับ ตามความซืซึมทราบแข่งใจที่เข้าสู่หลักความจริงของธรรมไปโดยลำดับลำดษโจนกลายเป็นว่ากายทั้งกายนี้ถ้าพูดขึ้นว่ากองอาชุพะก็คือป่าช้าผีดิบเต็มไปด้วยซากอสบต่างๆที่เต็มอยู่ในร่างกายของแต่ละบุคคลบุคคลไม่ใช่ซากหนึ่งซากเดียวซากอสบนั้นหลายซากหลายประเภทหลายชนิดของสัตว์ ที่มาตายกองกันอยู่ภายในร่างกายของเราพิจารณาอยู่เช่นนี้ซ้ำๆสักๆกๆ็เช่นเดียวกับเราถากไม้ถากหลายครั้งหลายผนก็ถึงแต่ถึงที่พอเหมาะพอดีพอเอา มีช้าล้างลงไปหลายครั้งหลายหนก็ถึงที่สะอาดปราศจากสิ่งจอมปลอดเห็นได้ชัดตามความเป็นจริงจิตย่อมจะปล่อยวางเองโดยไม่ต้องสงสัยนี <c oughs> ่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณามีเรียกว่าปัญญาเราแยกจากสมาธิคือจิตที่สงบนั้นให้แสดงกิริยาออกมาทางความแยกผาย เรียกว่าปัญญายิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นแบบมืดๆดำดำดำดำขาวอย่างที่อวิชชาพาเห็นปัญญาทำพาเห็นเห็นแจ้งเห็นชดัดจนถึงกับตรงรื้อถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมัน่นสำคัญผิดต่างๆนั้นไปได้โดยลำดับ นี่แหละการดำเนินเพื่อมรักผลผนิพพานดำเนินไปตามสิ่งเหล่านี้ที่จิตไม่สามารถจะกล้าถึ้นนั้นได้ไดก็เพราะติดสิ่งเหล่านี้ท่านจึงต้องให้พิจารณาบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับฝักหนาม่ยมแทงจิตใจอยู่ทุกเวลาเวลารักก็ทำให้เกิดทุกข์ชังก็ทำให้เกิดทุกข์เกลียดโกรธ ทำให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นเป็นสาเหตุจะไม่เกิดทุกข์อย่างไรไม่ใช่เป็นสาเหตุมาจากธรรมสาเหตุมาจากธรรมนั้นแม้จะมีทุกข์บ้างเพราะการต่อสู้กับค่าศึกแต่ความคำนึงเพื่อใครชนะหรือเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของความทุกข์นั้นก็ไม่มาเป็นอารมณ์กับผู้ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นจกตายจริงไม่ค่อยมาคำหนึง่งถึงความเป็นเหล่านี้ยิ่งกว่าความเพื่อรู้แจง้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนต้องการหรือในสิ่งที่ตนมุ่งหมายเอาไว้นี่ครับพระพุทธเจ้าของเราท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นแม้จะสลบถึงสามครั้งสามผลและยังไม่ถูกทางดาเนินเพื่อความแักรู้ก็าตามพระองค์ ก็ไม่ส่งท้อถอยเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นต่อธรรมของจริงมีกำลังมากกว่าที่จะมาท้อถอยเพียงความสลบเท่านั้นก <c oughs> <c oughs> ารพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราคะตันหา ึอยู่กับร่างกายนี้จิตสงบขอบมีความสงบตัวในความคิดไปเรื่องราคะทันหาเดียวก็รูปเสียงตินลดในชาดกท่านกล่าวไว้ว่าซึ่งเ ป, เป็นสิ่งที่สะดุดใจมากที่สุดว่ารูปกรพิจุทั้งหลา ย, เ, ยเราตถาคตไม่เคยเห็นรูปใด ที่จะเป็นค่าศึกหมายถึงภิกษุแล้วไม่มีรูปใดที่จะเป็นค่าศึกเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจย่างเจ็บปวดแสบแสบร้อนยิ่งกว่ารูปของหญิงนเสียงใดก็ตามไม่สามารถที่จะเสียดแทงเข้าถึงขัวหัวใจถึงกับ จิตใจจะพังทะลายลงไปได้เหมือนเสียงของหญิงกลิ่นใดก็าตามไม่มีไม่สามารถที่จะทะลวงเข้าถึงขั้วหัวใจยิ่งกว่ายิ่งกว่ากลิ่นของหญิงรถใดก็าตามไม่มีไม่สามารถที่จะทำลายหัวใจให้กระทบกระเทือนหวั่นไหว และให้รับความทุกข์ความทรมานได้มากยิ่งกว่ารสของหญิงการสัมผัสใดก็ตามไม่มีพิษมีภัยมากยิ่งกว่ากรรมการสัมผัสหญิงให้เธอทั้งหลายจำไว้ให้ถึงใจวิธีที่จะแก้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งออกจากคนคนเดียวนี้นั้นจึงต้องใช้พิษ วิธีการอันถูกต้องเหมาะสมกันคือการพิจารณาอาสุภะกรรมฐานเป็นภาพผืนให้เกิดมีความทะนิคำนาญ น, น้อมกายหญิงเข้ามาสู่กายของเราหนังของหญิงเข้ามาเทียบกับหนังของเราเสียงของหญิงเทียบเข้ามาเทียบกับเสียงของเรากลิ่นของหญิงเข้ามาเทียบกับกลิ่นของเรา ความสัมผัสของหญิงเกี่ยวกับเอามาเทียบกับความสัมผัสของเรามันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเสียงเป็นอวัยวะอันเดียวกันไม่เห็นมีผิดแตกกันอะไรเลยสพูดถึงเรื่องความปฏิกูลหญิงเป็นเทวดามาจากไหนพิสูจทั้งหลายหญิงก็คือคนทรงทาธาตุทรงขันทรงอสุภะอสุพางมีหนังมีเนื้อมีกระดูก มีตับไตใ ส, ใสพุงมีของอาุภพอาุรพังเต็มตัวเช่นเดียวกันกับเราเราไปหลงหาอะไรถ้าไม่ใช่เราเป็นบุรุษตาฝางเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงพิจารณาในจุดนี้ให้มากยาแก้พิษภายอันสำคัญมีตุอาุภพเป็นยาอันประเสริฐนี่คื อ, คอพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายให้เห็นภายในจุดนี้ เพื่อจิตได้พิจารณาตามหลักธรรมที่พระองค์ตรัสไแล้วนี้จะได้สงบลายกังวลเพราะเป็นลักษณะหรือเป็นอะไรอะไรก็เหมือนกันกายทั้งกายทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของหญิงกับทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของเหล่านั้นไม่มีอะไรผิดแปกกันเลยนอกจากถูกลอกลวงจากกิเลส ให้มันเสษสรรพันยอว่านั้นวิเศษนี่โสจนผู้หญิงกลายเป็นเทวดาขึ้นมาเราเป็นเหมือนบ่ยตัวหนึ่งหรือสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นโง่เกินไปไม่สมกับความเป็นภิกษุให้เธอทั้งหลายจมจำไว้ให้ถึงใจนักฟังเลยนี่แหละการพิจารณาถ้าลงได้พิจารณารอบนี้ให้ชัดเจนเทียบสัตว์ทุกสัตว์ทุกส่วน ท, ทั้งภายนอกภายใน ถ้าเห็นชัดเจนแล้วจะมีอะไรแปลกต่างกันจะหลงอะไรกันฉันว่าอย่างนั้นด้วยเหตุ น, นี้เราจึงต้องใช้การพิจารณาอันนี้ให้มากนอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าตะกอนเป็นป่าช้าผีดิบตายเก่าตายใหม่เอาไปทิ้งเกื่อนไปหมดการไปพิจารณาป่าช้านั้นให้ไปทางเหนือหลง ท่านก็บอกมันไว้ให้ไปทางตายเก่าเสียก่อนเพราะจิตกําลังจิตกําลังสติปัญญายังไม่เพียงพอให้ไปดูผู้ถี่ตายเก่าเสียก่อนปรววะวะัยวะเกลื่อนกาดเป็นกระดูกเป็นอะไรไปแล้วแล้วขยับเข้าไปหาเป็นลําดับจนกระทั่งถึงผู้ตายใหม่อาจจะเกิด ความกำหนัดยินดีขึ้นมาได้เมื่อเราได้พิจารณาเป็นลำดับตลำดาเข้าไปแล้วเช่นนั้นแม้จะตายใหม่ก็ไม่ผิดอะไรกับร่างกายของเราที่ยังไม่ตายนี้ความเหม็นครุ้งมันก็เป็นไปเช่นเดียวกันนี่แหละเพราะเป็นป่าช้าผีดิบผีตายเช่นเดียวกันนั่นเมื่อพิจารณาเทียบเคียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนของป่าช้าเทียบกับเราได้ชัดเจนแล้วจะไม่เยี่ยมปา่าช้าอีกต่อไปก็ได้ เยี่ยมป่าช้าภายในร่างกายของเหล่านี้ก็เป็นที่เพียงพอเพราะการไปเช่นนั้นเพื่อจะหาหลักยึดเทียบเข้ามาสู่หลักภายในเมื่อเราได้หลักภายในเป็นเครื่องยึดแล้วก็มีหลักมีเจนในการประพฤติปฏิบัติตนหายกังวลในเรื่องทั้งหลายนี่นอันหนึ่งนี่เป็นปัญญาขั้น ปัญญาขั้นนี้ต้องใช้ความพยายามให้มากปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผลตามที่ได้พิจารณามาแล้วเอาจนกระทั่งจิตมันหมุนติ้วติ้ติ้ ว, วเอาให้ทันเหตุทันกายเมื่อเกิดความชันนานขึ้นมาจนถึงขั้นที่จะสลัดปัดทิ้งทิ้งร่างกายนี้ยิ่งหมุนตัวเป็นเกลียว มองดูตัวทั้งตัวนี้จะมองดูเป็นเนื้อก็เป็นไปหมดทั้งเนื้อมองดูหนังไม่เห็นทะลุเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกจนกระทั่งกลายเป็นร่างกระดูกไปหมดคนทั้งคนเราทั้งเราเป็นเช่นนั้นมองดูหญิงดูชายเป็นสภาพเดียวกันไปหมดเพราะความทำนานในการพิจารณาวิปัจจนาท่านรูปกายนี้ เลยหาความสวยความงามไม่ได้มองดูเป็นร่างกระดูกหนึ่งมองดูเป็นคนมีแต่คืนหนังถูกถลกออกหมด mm. เหลือตั้งแต่เนื้อแดงฉานไปหมดทั้งตัวมีความกำหนัดยินดีกันที่ตรงไหนคนเราที่จะกำหนัดยินดีกันเพราะหนังนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นทา่านจึงสอนว่าตัาดโตแล้วท่านดุเพราะมันคราบไปหมด นี่คือความชำนาญของการพิจารณานอกจากนั้นเพียงกำหนดแยบเดียวเท่านั้นไม่ถึงสามวินาทีจะทะลุไปหมดทั้งสองรอบสามรอบในร่างกายร่างเดียวนั้นกลายเป็นกระดูกท่อนกระดูกไปหมดเพียงเส้นเอ็นติดต่อหรือวรัดตึงกันไว้เท่านั้นเช่นเดียวกับ รากผีที่เราเอามาไว้ตามว่าตามว่าอาวัยวะส่วนอื่นไม่มีเหลือแต่กระดูกที่มัดติดกันไว้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะรักอะไรกําหนัดอะไรมีแต่กระดูกอย่างนั้นนั่นแหละคือความจริงเป็นขั้นๆไปนี่คือความจริงแล้วตัดความจอมปลอมที่ว่าเอ หนังก็งามเนื้อก็งามเอ็นก็งามแล้วงามไปหมดกระดูกก็งามแม่ที่สุดอาหารเก่าอาหารใหม่ที่เป็นมูดเป็นคูดก็งามไปหมดเพราะถูกกิเลสมันต้มมันตุน๋นมันเหเกสรปั้นยอมาให้กินของสขกปรกโสโคกมาเป็นเวลานานเพราะความโง่เขลาคลั่งตนให้กิเลสปรุงอาหารแต่เป็นพิษทั้งนั้นให้กินเราไม่สลดสังเวชบ้างเหรอ เราเป็นนักปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้แล้วเมื่อพิจารณาได้เต็มที่แล้วไม่ต้องบอกเรื่องความสลัดปัดทิ้งรูปประขันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความปฏิกูลโสโครกนี้ก็หายไปเพราะผ่านไปแล้วหายสงสัยแล้วเลือด อยู่ตั้งแต่เพียงร่างกระดูกหงสัยอนไห น, นั่นก็เป็นกองอนิจจังทุกขังอาตาเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนี่นี่ปัญญาขั้นนี้ต้องผ่าโถนเต็มที่เพราะเป็นกิเลสส่วนหยาบต่อสู้กับกิเลสส่วนหยาบปัญญาต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโถนไม่งั้นไม่ทันกันพอหมดขั้นนี้แล้วก็คือเวทนา ความสุขความทุกข์ความเฉยๆภายในร่างกายและ จ, จิตใจส่วนภายนจิตเวทนาภายในจิตทั้งสามนั้นยกไว้ก่อนพิจารณาเวทนาที่เกี่ยวข้องกับกายเวลาเกิดความทุกข์เวทนามาจะเป็นการเกิดขึ้นด้วยการเจ็บไข้ไม่ป่วยปวดหวัวตัวร้อนก็ตามในพิจารณาแยกแยะดูทุกขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกเวทนานั้นแหละ เป็นผู้ออกหน้าออกตาในขณะที่เจ็บคไายได้ป่วยสุขหาทางแทกเกิดขึ้นไม่ได้จึงต้องพิจารณาแยกดูทุกข์ให้เห็นทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์ให้โทษให้ภัยแก่ผู้ใดเราจึงเหมาเขาว่าเป็นทุกข์เหมาเขาว่าเป็นภัยต่อเราเมาเขาว่าเป็นฆ่าศึกต่อเรา พิจารณาให้เป็นอัดเป็นธรรมยาลําเอียงเพื่อเข้าตัวจะเป็นการก่อปุเรย์กิเลสเข้ามาเผาตนเองเข้าอีกยิ่งกว่าการไม่พิจารณาจะอีกเพราะผิดทางเพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกขเวทนาก็พิจารณาให้เป็นธรรมว่าทุกขเวทนานี้หรือว่าเป็นตัวภัยแก่เราดูให้เห็นชัดถึงสภาพของทุกที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นว่ามันเป็นภัยให้แก่ผู้ใดจดจ่อลงด้วยสติ กำหนดขี้คลายดูด้วยทางปัญญาเมื่อชัดเจนแล้วทุกก็สักแต่ว่าปรากฏตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นแม้ตัวทุกเองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าเป็นทุกและได้ให้ความทุกแก่ผู้่ผดดู้ใดเลยนี่พิจนาดูทางร่างกายก็สักแต่ว่ากายมีอยู่แล้วตั้งแต่ทุกเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกเหล่านี้ได้ดับลงไปแล้วกายก็เป็นกายอยู่ตามสภาพของตน ต่างอันต่างจริงอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเชนนี้ไปเหมาเข้าว่ามาเป็นทุกข์มาเป็นภัยแกเราได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ใจแล้วย้อนเข้ามาดูใจอืเทียบเทียงกายนั้นเป็นเราเหรอือกายนั้นมาเป็นใจหรือหรืใจไปเป็นกายหรือทุกขเวทนา น, นั้นเวทนานั้นมาเป็นใจหรือใจ น, นี้ไปเป็นทุกขเวทนาแยก่ย yeah, ก yeah. ทุกสัตว์ทุกส่วนยิ่งทุกมีความ รุนแรงมากเพียงไหลสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งหมุนติ้วเร็วยิ่งกว่าข้าแรกไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแยกแยกทุกศาสทุกส่วนทางเวทนาก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจหายสงสัยว่านี่จิตเท่านั้นไปสำคัญทุกเวทนาว่าเป็นค่าสึกต่อตอนเองและว่าเป็นตนเป็นของตนตลอดถึงเรื่องร่างกาย ก็แม่เขาจะเป็นสภาพแห่งความจริงของเขาอยู่นั้นแต่เราก็เป็นใจนี่จะเองเป็นผู้ประยิบไปถือว่ากายของเราเป็นทุกข์ทุกข์ก็มาเป็นกายทั้งทั้งทุกข์ทางกายทั้งทุกข์ทางใจก็มากลายเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ข้อความองการผือเมื่อแยกเนี่ยทั้งสามสภาพคือดูกายดูเวทนาดูจิต เทียบเท่ากันได้ทุกสัดทุกส่วนความสําคัญมันหมายจิตของจิตที่เป็นหมายเขาก็ถอนตัวเข้ามาสู่จิตเมื่อความสําคัญถอนตัวเข้ามาสู่จิตแล้วจิตก็เป็นปกติจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาก็เป็นความจริงของเวทนากายก็เป็นความจริงของเขาแต่ละสัดละส่วนแล้วไม่กระทบกันหนึ่งทุกเวทนาที่กำเริบ ม, มากๆนะั้นดับไปอย่างรวดเร็วสอง ทุกเวทนาแม่ไม่ดับแต่ก็เป็นความจริงของตนอยู่เต็มตัดเต็มส่วนไม่เข้ามากระทบเือนกับจิตใจนี้ได้เลยใจแม้จะอยู่ในถ้ำกลางแห่งความทุกข์ความลําบากในขณะอ ท, ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือขณะนั่งนานๆก็าตามก็ไม่มีความกระวนกระวายมีความกระยิมยิ้มย่องอยู่ได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของใจนี่คือการพิจารณาเวทน า, น, า <c oughs> นอกจากนั้นแล้วยังทราบชัดว่า ทุกเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีขข เ, ด เ, ป เ, ดเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นซึ่งรวมแล้วไหลลงสู่ภาชนะคือตรายักได้แก่อณิจังตรายักษ์ได้แก่อณิจังทุกขังอต า, าทั้งมวล น, นานมีปัญญาขั้นสัญญาความจําได้หมายรู้จนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสังขารปรุงแยบสัญญาหมายไป ให้เป็นเรื่องเป็นลาวหลอกตนเหมือนกับภาพในหน้ากระจกนี่แหละภาพของเราเองนี่แหละไปปรากฏในหน้ากระจกเราก็ไปตื่นภาพในหน้ากระจกนั้นเสียนี่เมื่อเราทราบชัดเจนแล้วว่าภาพที่ปรากฏในหน้ากระจกนั้นมันเป็นภาพมาจากกายของเราชั้นใดอาการทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นจากสังขารจากสัญญาจิตหมายเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็เป็นภาพที่ออกจากใจ ถ้าใจไม่รู้เท่าทันก็ไปหลงภาพนั้นเมื่อใจรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพของเขาสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดดับเกิดดับไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกันและกันแม้วิญญาณที่รับทราบจากภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นก็มีแต่เพียงแยบเดียวแยบเดียวที่รับทราบในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสเมื่อสิ่งนั้นดับไป ความรับทราบก็ดับไปเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตเท่านั้น <c oughs> แล้วถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรการพิจารณาซ้ําๆตักซากเป็นการฝึกซ้อมกันอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างทางนอกกับทางในให้เป็นไปอยู่โดยสม่มําเสมอจิตย่อมชำนิชํานานสามารถสลัดปัดทิ้งขันห้านี้ไดต้ตั้งทั้งที่ยังไม่บริสุทธิ์นะอืมอุปาทานใน รูปประขันก็ปล่อยได้แล้วชัดเจนเข็นประจักไม่ยอมที่จะพิจารณาร่างกายอีกว่าเป็นอสุภะอย่างนั้นอสุภะอย่างนี้เพราะอิ่นตัวแล้วรู้แล้วปล่อยแล้วพิจารณาหาประโยชน์อะไรต ร, รอดถึงเวทนาสัญญาสังขารบิญญาเกิดขึ้น ก, ก็รู้ได้ชัดทั้งดับไปทั้งเกิดขึ้นทั้งดับไปรู้ได้ชัดขาดจากกันก็รู้ได้ชัด นี่แหะสถานที่หรือสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินของกิเลสอวิชชาทรงสมุนออกมาทางนี้แหละออกมาทางตาให้เป็นหมายไปจับจองเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งดีทั้งชั่วกว้านก้านมันมาหมดให้มาเป็นฟืนเป็นไฟเผารนมุลุษผู้สิ่งโงต่ตาฝางพระที่งงง่ก ตาฟางๆให้มันเผาหลนอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนทำนี่ความฉลาดแล้วกับพิจารณาอย่างที่ว่านี่ตาหูจมูกลิ้นกายก็สักแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่าเท่านั้นเพราะในพิจารณาตัดขาดกันมาโดยลําดับไตรตนะภายในเช่นรูปกายของเรามีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายก็ตามก็รู้เท่าทันไปหมดปล่อยแล้วอันนี้ก็เรียกว่าตัดขาด จากทางเดินของกิเลสมีอวิชชาเป็นตัวการส่งสมุนออกมาตามสายทางนี้และตัดสะพานนิขาดเข้าไปออกมาทางเวทนาก็ตัดขาดด้วยปัญญาออกมาทางสัญญาสัางขารวิญญาณก็ตัดขาดไปโดยลําดับลําดับเมื่ออวิชชาไม่มสีสมุนถูกตัดขาดสะพานไปหมดฆ่าทั้งสมุนข้องมันด้วยความต้องการมันหมายต่างๆฆ่าไปด้วย อาการต่างๆนทั้งห้านี่ก็ ต, ตัดขาดไปด้วยก็รวมตัวเข้าไปสู่จิต ด, ดวงเดียวเท่านั้นนั่นนี่แหละวิธีการดําเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธการท่านดําเนินท่านดําเนินอย่างนี้ท่านพิจารณาอย่างนี้นิกิเลตมันมีอยู่ที่ไหนสติปัญญาจะเป็นเหมือนกับฝ่ายกิเลตเป็นเหมือนกับเชื้อผายมันอยู่ที่ตรงไหน ปัญญาจะหมุนเตี้ยวเข้าไปตรงที่เชื่อมีอยู่เชื่อมีอยู่ทางกายก็พิจณาทางกายจนกระทั่งไหม้ไปหมดด้วยความรู้เท่าทันดูทางเวทนาก็ไหม้ไปหมดคือรู้เท่าทันหมดสัญญาสังขารวิญญาไม้ไปหมดปล่อยวางไปหมดเข้าไปสู่ที่ใจกำหนดเข้าไปที้ใจปัญญาขั้นพิจนาอาวิชชานี้เป็นปัญญาขั้นอัตโนมัติ ตามขั้นกุตศการทัานว่ามหาสติมหาปัญญาแต่ก็เริ่มเป็นมหาสติมหาปัญญาย่อมย่อมไปแล้วตั้งแต่ขันห้านี้แล้วแหละ <c oughs> แต่เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจึงเป็นมหาสติมหาปัญญาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนอย่างละเอียดละออเหมือนน้ำซับน้ํำถมไม่มีอะไรเป็นที่พิจารณา พอรูปก็ผ่านไปแล้วไม่ยอมที่จะหนารู้แล้วปล่อยแล้ววางแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนร่างเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ก็ดับไปหมดขาดไปหมดแล้วมีแต่ความยึดยับยิ้มยับกับเพื่อมอยู่ภายใจิตข้ามกับเพื่อมแต่ละขณะขณะที่แสดงออกมาจา ก, กจิตก็ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของโลกสมมติของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ได้อย่างชัดชดถือมั่นยึดมั่นในความกับเพื่อ ว่าดีว่าชั่วว่าเกิดว่าดับนี้ได้อย่างไร <Hey. S 1> ฐานของวิชาจริงๆคืออะไรที่นี่นี่แหละตัวสำคัญ <Hey. S 1> เราก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้เพราะเห็นอะไรเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดมากที่เลบประเภทนี้ละเอียดมากมากจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติได้ลืมตน้นแต่ก็ทนไม่ได้ที่จะต้องพูด เมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วนั่นแหละขั้นว่าตัววิเศษนักปฏิบัติส่วนมากว่าประเสริฐเลิศโลกทั้งทั้งที่ตัวอวิชานั่นแหละไปยกตัววิชานั้น่ะมหาสติมหาปัญญาที่เคยฝึกมาอย่างเตียงไกลก็เลย ก, กลายเป็นองค์คารักไปรักษาอาวิชาดวงที่วเลิศประเสริฐมีความสง่าป่าเผยสว่างระจ่างแจ้งองค์อาจประหารแผวพาว ไม่มีอะไรเสมอเหมือนจะแล้วทีนี่ทั้งรักทั้งชอบใจทั้งติดอิงอ้อยอิอย่ง อ, อ, อยู่นั้นแหละนั่นเห็นไหมวิเลีดละเอียดขนาดไหนตั้งแต่ขั้นกายนี่ก็ละเอียดแทบล้มแทบตายที่ผู้ปฏิบัติจะผ่านไปได้ขั้นวิเลียดที่อาศัยแทรกอยู่กับเวทนาสัญญาสั้งขานิ ญ, ญา น, นี้ก็เต็มตัวแห่งความละเอียดของมันยิ่งเข้าไปถึงองค์กษัตริย์ วัตจักรที่พาจิตให้หมุนให้เวียนให้เกิดให้ตายคือตัวนี้แท้แทตัวอวิชานี้แล้วจะไม่ละเอียดครอบโลกธาตุได้อย่างไรแม้ขั้นมหาสติมหาปัญญานี้ยังต้องกลายตัวลืมตัวไปเป็นองค์รักรักษาจิตดวงนี้จนได้คาว่ารักษาจิตดวงนี้คืออะไร มีความรักความสงวนความอ้อยอิ่งความติดความพันอยู่ภายในนั้นอไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องรักมากสงวนมากทีเดียวแต่คําว่าสมมตุติออวิชาก็คือสมมุติมหาสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรแจกกันก็เป็นสมมุติซึ่งหมุนตัวอยู่ตลอดเวลา ทำไมจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงความผิดปกติของจิตประเภทที่ว่าอาัจฉรย์อันเป็นจอมกษัตริย์นั้นได้ในขณะใ ด, ดขณะหนึ่งแล้วนั่นเพราะจดจอ่อเพราะพิจารณา ท, ทั้งทั้งจิตกําลังรักษาอยู่นั่นแหละหากมีการพินิจพิจารณามีการสังเกตสอดรู้กันอยู่ทุกระยะระยะไม่นานก็ทราบกลมายาของอวิชชาจนได้ นี่อ่ะตรงนี้อ่ะตรงจะท ำ, ทำลายออคำว่าวิชาหรือคำว่าใสสะอาดนั่นนะ่ะใสจริงสะอาดจริงผ่ อ, อ, อ, งองใสคำว่าพองใสกับความเส้าหมองซึ่งเป็นส่วนละเอียดกับสิ่งนั้นต้องเป็นของคู่กัน ของใสขนาดไหนจะต้องเห็นความเส้าหมองแทรกกันมาในขนาดใดขนาดหนึ่งจนได้องอาจหรืออับเฉาจะต้องเป็นของคู่กันแม้นิดหนึ่งก็จับได้ธรรมชาติสมมุตินี้ละเอียดขนาดไหนสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันก็ต้องละเอียดให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คืออะไร ทำไมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดนั้นแล้วทำไมจึงต้องมีลักษณะไม่ไว้วางใจให้ต้องระมัดระวังกันทำของจริงแท้ทำไมระวังกันความระวังนี้เป็นที่แน่ใจแล้วหรือนี่คืออะไรธรรมชาติอันนี้คืออะไรทุกสิ่งตัวอย่างที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วเพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาไปด้วยกันใช่หมดแล้วอันนี้เป็นอะไรที่ปรากฏเด่นๆอยู่นี้ นั่นแนะเป็นจุดหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาละวทีนเริ่มพิจารณาลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วได้พุ่งตัวเข้าไปนั้นอย่างไรก็ไม่มีอะไรที่จะค้างอยู่ได้ตกค้างอยู่ได้ต้องพังทลายนี่แลีละมหาสติมหาปัญญาเจาเข้าไปตรงนั้นพิจารณาจึดนั้นเหมือนกับเราพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย เมื่อสติสติปัญญาขณ้นอัมัตินี้ได้จ่อเข้าไปจุดนั้นแล้วก็ทนไม่ได้พังทลายอาวิชชาตายตายตรงนั้นนั่นแหละบอ่อเกิดของสัตว์เพื่ออันนี้เองบอ่อเกิดของสัตว์สถานที่ตายที่เกิดพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายไม่ใช่ที่ไหนธรรมชาติอันนี้เองพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตาย เราเป็นผู้แบกหามอันนี้อยู่สงสัยอะไรว่าโลกตายแล้วสูน ม, มันศูนที่ไหนนี่ให้ที่จะนาตามภาคปฏิบัติเมื่อธรรมชาตินี่มันหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอันใดที่นี่ที่รู้ว่าอภิชาดับไปแล้วภบชาติที่เป็นเชื้อให้เกิดพวกเกิดชาติดับไปแล้วจากใจแล้วใจนั้นดับไปด้วยไหม ถ้ใจดับไปด้วยทําไมรู้จะความว่าบริสุทธิ์ยิ่งรู้อย่างวิเศษวิโสรู้แบบอัศจรรย์เหมือนโลกกระเทือนไปด้วยทั้งหมดโล ก, กชาตินี้นั่นสูญไปไหนเนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกท่านนาธรรมชาติอ น, นี้มาสั่งสอนไม่ใช่เอาสิ่งที่สูญมาสอนโลกเอาสิ่งที่บริสุทธิ์มาสอนโลกตัางหากนี่แหละการเรียนพบชาติความเกิดแก่เจ็บตาย ของตัดโลกอยาไปเรียนที่ไหนให้เรียนเรื่องของเรานี้ก่อนอมเมื่อเรียนเรื่องของเราให้เต็มอัดเต็มภูมิเต็มอัดเต็มทำเต็มที่แล้วจะรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะนี้เป็นของจริงลบล้างไม่สูญลบล้างไม่ได้นี่แหล่ะหลักใหญ่ที่พาให้เกิดพอถึงขั้นที่ธรรมชาติที่พาให้เกิดนี้ได้พังทลายลงไปแล้ว ทำไมจะไม่กล้าสามารถอุทานขึ้นมาได้ว่าหมดแล้วเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดตายเกิดตายจับจองป่าชาอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเพราะตัวนี้เองได้สิ้นซากไปแล้วบัดนี้หมดเรื่องนั่นเหลือแต่ความริสุทธึกล้วนๆมีเรื่องอะไรทริงเอานั่นไม่ใช่ตัวอันนี้จังนัน่นไม่ใช่ตัวทุกขัง นั่นไม่ใช่ตัวอนัตตาอริจังทุกขณาตาเป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลนับแต่อวิชชาออกไปกระจายทั่วโลกธาตเป็นแต่ลักเป็นอนิยังทุกขัณาตาเพราะเป็นสมมุติด้วยกันธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิยังทุกขณาตาและได้พังทลายจากตนไปหมดแล้วนั้นไม่ใช่แต่รักไม่ใช่อริจังไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่อนัตตา ไม่ขัดแย้งตนเองด้วยและไม่ขัดแย้งสิ่งอื่นใดทั้งหมดด้วยพอตัวหมดเครื่องนั่นพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติท่านพระสาวกท่านปฏิบัติท่านจนเป็นครังแห่งมรรคผลนิพพานท่านดําเนินอย่างไรพวกกาวนี้ดําเนินกันอย่างไรจึงได้แต่ชื่อมรรคผลนิพพานมาอวดกันอยู่ตลอดเวลา ท, ทั้งทั้งดิจิเลตเต็มหัวใจถ้าว่าเป็นภาชนะเดาล้นเฮ้อ ทั้งแบกบทั้งสะพายทั้งหาบทั้งหามมันล้นเหลือหัวใจออกมาเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันล้นหัวใจเราเรายังจะหาพอกหาพูลเฉพาะแสวงหามาใส่ที่ไหนอีกเจ้ากำลังอะไรมาแบกกองทุกข์เพราะอำนาจแข็งที่เรียกสรรหาชวะที่มันขนมาทับผมโจมตีเรานี่จนมองหาตัวไม่เห็นเรายังไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในเวลา นี้ขณะปฏิบัติซึ่งเป็นพระรุ่นล้วนนี้แล้วเราจะไปเห็นโพษในตอนไหนหรือตอนตายแล้วนิมนพระมากุชลาธรรมมากุชลาธรรมากุชลาหาประโยชน์อะไรตัวเราโง่เหมือนหมาตายตัวหนึ่งจะมากุชลาธรรมาให้เกิดความฉลาดมาจากลมปากได้อย่างไรถ้าเราไม่รีบทำของเราเสียให้เกิดความฉลาดกุชลาแปลว่าความฉลาดฉลาดอะไรฉลาดแก้พิดแก้ภัยภายในจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ย นี่เรียกว่าความฉลาดตายแล้วจริงจะมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาหาเรื่องอะไรเกาหาที่ไม่คันเก่าตรงที่มันคันนั่นสิมันจะได้หายคันจอ่อลงไปตรงนั้น่ะกิเลสนนะ่ะตัวคันที่สุดตัวคันสุดยอดคือตัวอวิชชาฟาดมันลงไปให้มันหายคันตายแล้วไม่ต้องมากุศลาธรรมมาให้ยุ่งไปเปล่าๆปล่าเ ล, าลนะมันกุศลาธรรมมาความฉลาดรอบใจเถอะ อยู่ไหนสบายหมดตัดสินตัวได้เองอืมใครสิ่งใดก็าตามถ้าลงได้เห็นด้วยตาแล้วกล้าหาญที่จะพูดได้ยินด้วยหูชัดชัดแล้วใครมาโกหกไม่ได้พูดได้อย่างเต็มปากรู้ด้วยใจอย่างชัดชัดในเรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วพูดได้เต็มปากอาถารได้อย่างเต็มจัด น, นี่แหละธรรมของพระพุเทธเจ้าไม่ใช่ ทำอับเฉาม่ได้ทำลี้รับให้ไม่ทําแอบแฝงแสงแสงด้อมดอมม อ, มองมองกลัวกลัวขี่ขลาดไม่มีเป็นธรรมที่องค์อาจกระหรั่งผู้ปฏิบัติพิสูจน์ได้ภายในจิตใจของตัของเรียนก็เรียนมาเราไม่ได้ประมาทในการเรียนเรียนแต่ชื่อของอัด ข, ของธรรมของกิเลสตัญหาอาสวะแต่ไม่เคยไปแตะต้องกิเลสตัญหาอาสวะพอให้มันหนังถลอดพอให้มันตื่นนอนบ้างเลย ต้องเอามาปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนแนวทางแล้วนับตาเกสาลง ม, มานะคะัตตาตะโจเป็นต้นแล้วนําไปปฏิบัติแยกแยะตามวิธีการที่ท่านสอนนี้จนกระทั่งถึงตามฆ่ากิเลสได้ด้วยวิธีการปฏิบัติมีโคตรแท้กิเลสลูกเจ้าหลานเลนของกิเลสทุกๆตัวซึ่งเป็นสือร้ายทั้งนั้นเป็นพิษเป็นภายทะนั้นให้มันแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมือง ดังบ้านแตกสาแหลกหาดออกจากใจให้เห็นเป็นไรนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติทําไม่ได้ใครจะทําได้ในโลกนักปฏิบัติไม่สามารถชมมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามได้แล้วใครจะสามารถในโลกนี้เราแน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเพราะภาระทุรังเต็มไปหมดโลกอยู่ด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะถาดเพรขันเกี่ยวกับการบ้านการเมืองครอบครัวเย้าเรือนเรานี้มีผู้ สนับสนุนทุกจิ่งทุกอย่างคนใจบุญเต็มแผ่นดินอทหารการจินก็เหลือเฟือท่วมปากจนได้มองเห็นปากพระ เ, ออเครื่องนุ่งห่มใช้สอยมาจากท่านผู้ใจบุญพร้อมเสมอที่จะส่งเสริมคนดิบคนดีคนจะทำโลกตนและโลกผู้อื่นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทีวรนบินทบาตเสนาชนะทีลาณเพศัต ไม่มีอะไรบกคร่องเต็มมาทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกทิศทุกทางทั้งกลยทั้งกจนี่แต่ผู้สนับสนุนส่งเสริมยินดีแต่เราทำไมถึงนอนใจรับครอกๆ อ, อ, อ, อยู่ทั้งเป็นทั้งๆที่ยังไม่นอนสติะตังไปไหนหมดเอามาพิจารณาเอามาขุดค้นให้พระพุทธเจ้าท่านขุดค้นค่ากิเลตันหาดด้วยสติปัญญาหรือด้วยความนอนใจหรือด้วยความขี้เกียจขีคลาน เอาคาพิจิพิจารณาให้มันเห็นชัดยันที่เราเป็นนักปฏิบัติลูกจิตมีครูไม่เดินตามครูจะเดินตามใครอเอาให้จริงให้ช่างตรงหนึ่งเราจะได้เห็นความอัศจรรย์ภายในาจิตใจพูดกันยอ ย, อยางนั้นเรื่องอัตเรื่องธรรมธรรมไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพูดเรื่องกิเลสกับพูดแล้วจนน้ำลายฟุ้งแต่กิเลสอยู่ที่ไหนไม่ทราบ เอาแต่ชื่อมาพูดเอาแต่ชื่อมาคุยกันมันเกิดประโยชน์อะไรเอาตัวกิเลสมาฆ่าล่ะสิมันเกิดประโยชน์เออเาธรรมาปฏิบัติกรรจัดกิเลสนันส้นสิยิ่จะเกิดประโยชน์เป็นผลเห็นอายม์พรทันตาพระ พ, พุทธเจ้าพระสาวกท่านทำอย่างนั้นเดินตามแบบตามฉบับของท่านอย่าให้ผิดร่องรอยของท่านงานที่ทำของพระเป็นประจำเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ตีกแวะไปไหนไม่ได้เอางานอื่นมาแทนไม่ได้ก็คืองานถอดถอนเกตอาสวะดังที่ท่านประทานให้บิอุปชาจะมอบให้เวลาบวชเจษาลงมานาคานทาต ะ, ทะจโจเป็นตน้นนี่คืองานของพระเอาให้จริงให้จังเคลี่กนายสับยำลงไปให้มันแหลกแตกกระจายลงไปเห็นแจ้งชัดเจนด้วยสติปัญญาศรัท ธ, ธาของเป็นน้องเหล่าประานที่ที่เหมาะสมก็ท่านกรกประานให้แล้วตั้งแต่วันบวช ลุกขมู ล, ลเซนาสนังนิส่ายาตา ป, ปชาตาทะเสยาวจีวังอุชาโฮกระนิโยมันวิชาไปหมดแล้วให้ไปเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลล่มม้าชายป่าชายเขาในถ้ำเงื้อผาอันเป็นสถ า, านที่สะดวกสบายไม่พุกพล่านด้วยสิ่งลกวนต่างๆนั่นเป็นที่เหมาะสมกับการกำงานเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อดื้อถอนวัฏจักรออกจากใจซึ่งเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงมานานแล้วภายในหัวใจของเรา เพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีงานใดที่จะหนักหนายยิ่งกว่างานขอดถอนกิเลสวัฏ จ, จักรออกจากหัวใจจึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงให้เต็มที่นี่ขนะอให้นำมาพิพจรารณามาอยู่นี่กวนานไม่ทราบว่าองค์ละกี่ปีกี่เดือนผลเป็นยังไงสอนก็สอนแทบล้มแทบตายสอนไม่มีอัดมีอั้นมีเท่าไรเอามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถ ไมไ่เคยมีปิดบังนี้ลนะับไม้แต่น้อยเลยและพูดอย่างตรงไปตรงมาตามความจริงทั้งเหตุที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็นํามาสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกําลังขวามสามารถไม่ได้โกหกตลอดถึงผลเป็นอย่างไรก็พูดให้ฟังอย่าง เ, เต็มเม็ดเต็มหมดเต็มหน่วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแต่กิเลสสุดแต่ธรรมที่อยู่ในหัวใจของผู้มาฟังทั้งหลายจับขัดแย้งกันเองทางใดชนะทางในแพ้่ะทำชนะ เราก็จ ะ, จะปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้วครองธรรมอัศจรรย์ภ า, ายในใจถ้าแพ้กิเลสแล้วเราก็จะให้ถูกกิเลสเยียบย่ำทำลายอยู่นี้ตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนไม่มีต้นมีปลายอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละเป็นทุกข์กลำบากจริงๆการแสดงธรรมก็เห็นแล้วทุ่มขูดย ห, หน่วยเอาละพอ